เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตาการุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันพุทธที่สิบธันวาคมพุทธศักราช2 5 5พิเเป็นวันหยุดราชการเนื่องจากเป็นวันพระราชทานรัฐธรรมนูญทางราชการ จึงได้ให้ถือเป็นวันหยุดหนึ่งวันจึงเป็นวันทำลายบุญของผู้ที่ชอบสะสมบุญบุญนี้ก็เป็นเหมือนเงินเหมือนทองเวลาเราทําบุญก็เหมือนกับเอาเงินเข้าไปฝากไว้ในธนาคารเวลาเราทําบาป ก็เหมือนกับเราไปกู้เงินจากธนาคารบัญชีเงินฝากกับบัญชีเงินกู้ก็จะมาคอยลบล้างกันถ้าบัญชีเงินฝากมากกว่าบัญชีเงินกู้ฐานะการเงินก็ดีถ้าบัญชีเงินกู้ มากกว่าบัญชีเงินฝากฐานะการเงินก็ไม่ดีเช่นเดียวกับจิตใจชีวิตของพวกเราก็เหมือนกันถ้าบัญชีบุญมีมากกว่าบัญชีบาชีวิตของเราก็จะดีขึ้นถ้าบัญชีบามากกว่าบัญชีบุญชีวิตเราก็จะ ถอยจะเร็วลงไปความทุกข์จะมากขึ้นความสุขจะน้อยลงถ้ามันถ้ามันทีงเงินฝากคือบุญมากกว่าบาปชีวิตก็จะดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงไปตามลาดับถ้ามีแต่บุญไม่มีบา ก็จะได้ความสุขเต็มที่ได้ความสุขร้อยเปอร์เซนี่คือจิตใจของพ่อพุทธเจ้าและจิตใจของพระอาหลานตสาคกทั้งหลายท่านได้กำจัดชั่ลาบบาไม่กระทำบาแล้วท่านก็สร้างบุญจนเต็มเปี่ยมในหัวใจใจของท่านจึงมีแต่ ประโลประสมไม่มีความทุกข์ไม่เหมือนใจของพวกเราที่ตอนนี้มีทั้งบุญมีทั้งบาปบางวันก็มีความสุขบางวันก็มีความทุกข์วันที่ทุกข์ก็แสดงว่าวันนั้นบาปมีกําลังมากกว่าบุญวันที่เรามีความสุขก็แสดงว่าวันนั้นบุญมีกําลังมากกว่าบาป บุญเป็นผู้สร้างความสุขบาปเป็นผู้สร้างความทุกข์นาก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ในใจเราไปเรื่อยๆเพราะในแต่ละวันนี้เรามีการกระทาต่างๆการกระทาของเรานี้ก็แยกได้สามสามอย่างด้วยกันทําบุญหนึ่งทาบาปหนึ่งไม่ทําบุญไม่ทําบาปหนึ่ง ถ้าไม่ทำบุญไม่ทำบาป ก, ก็ไม่มีความสุขแต่ก็ไม่มีความทุกข์เราทําอยู่ทุกวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับนี้พอเราตื่นขึ้นมาเราก็เริ่มทาทาอย่างใดอย่างหนึ่งส่วนใหญ่ตอนเชา้าเราตื่นขึ้นมาเราก็จะทําแบบไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปเช่นเวลาเราไปเข้าห้องน้ำ ไปชำระร่างกายไปแต่งเนื้อแต่งตัวไปรับประทานอาหารการกระทำเหล่านี้ไม่เป็นบุญแต่ไม่เป็นบาปเพราะไม่ได้ไปทำให้ใครเขาได้รับความสุขจากเราแต่เราก็ไม่ได้ไปทำอะไรให้คนอื่นเขาได้รับความทุกข์จากเรานี่เรียกว่าเป็นการกระทำที่ไม่ใช่เป็นบุญและไม่ใช่เป็นบาป แต่วันนี้ญาโยมไม่ต้องไปทำงานวันนี้ญาติโยมมาทำบุญนำกับข้าวกับปลาอาหารของข้าวของหวานมาถวายพระแล้วก็มาตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็มีเวลาก็ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทำใจให้สงบจเจริญปัญญา สอนใจให้เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปหลงไปยึดไปติดไปอยากได้เพราะความหลงความยึดความติดนี้จะพาให้เราไปทำบาทนี่แหละคือชีวิตของพวกเราอยู่กับการกระทาตั้งแต่ตื่นจนหลับ ถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนามาสอนมาบอกเราให้รู้จักแยกแยะ ก, การกระทำของเราว่ามีทั้งคุณและมีทั้งโทษถ้าเรารู้ว่าการกระทำอันใดที่มีโทษเราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงถ้าการกระทำอันใดที่เป็นคุณเราก็ควรที่จะทำเพราะ ผลที่เกิดนั้นก็ไม่ได้เกิดกับใครเกิดกับจิตใจของเราการกระทําที่พุทธเจ้าทรงถอนว่าเป็นโทษก็มีอยู่หลายอย่างด้วยกันเช่นอบายามุขนี้ก็เรียกว่าเป็นการกระทําที่เป็นโทษเป็นเหมือนการสร้างหนี้ไปกู้เงินจากธนาคารมาการเดินสุรายาเมาการเที่ยวกลางคืน การเล่นการพนันการครบคนไม่ดีเป็นมิตรความเกลียดคร้านการกระทำเหล่านี้จะทำให้จิตใจเราเสื่อมลงจะทำให้เกิดความทุกข์มากขึ้นจะทำให้เกิดความสุขน้อยลงไปและจะทำให้ไปทำบาปเพิ่มขึ้นจะให้ทำให้เราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปลักทรัพย์ ไปประพฤติผิดประเวณีไปพูดปดมดเท็โกโหกหลอกลวงที่จะทำให้จิตใจเรามีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับการกระทาเหล่านี้พระพุทธเจ้าส่งสอนให้พวกเราละกันอย่าทากันเพราะมันเป็นโทษมันไม่ได้เป็นคุณมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับจิตใจสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจ ก็คือการทำบุญทำบุญทำทานอย่างั น, นิยา่าโยนนำาอาหารขาวหวานเครื่องใช้ไม่สอยปัจจัยเงินทองต่างๆมาถวายพระถวายวัดอย่างนี้เรียกว่าเป็นการทำบุญเพราะการทำบุญก็คือการกระทาที่ทำให้เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นนั่นเองวันนี้ ประโยชน์สุขได้เกิดกับวัดได้เกิดกับพระภิกษุสามนเณรแล้วเพราะว่าได้รับอาหารได้รับเครื่องใช้ไม่สอยได้รับเงินทองที่จะมีความจำเป็นต่อการมาบูรณะซ่อมแซมหรือทำนุบำรุงถาวรวัตถุและจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟ ค่าคนงานที่ต้องมาดูแลรักษาความสะอาดสิ่งเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายญาติโยนจึงมาช่วยวัดวาอารามเพื่อให้วัดของเราดูสะอาดดูเรียบร้อยมีสง่าราศีเป็นที่น่าเข้ามาหาความร่มเย็นเป็นสุข นี่คือการกระทำที่เรียกว่าบุญทำประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่นนอกจากบุญที่เกิดจากการทำทานแล้วก็ยังมีบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นเช่นมา น, นิย่าโยนถ้าว่างอยากจะรับใช้วัดวา่ามาช่วยล้างถ้วยล้างชามกันอย่างนี้ก็ได้บุญหรือจะไปช่วยล้างซ่วม อย่างนี้ก็ได้บุญบุญไม่จาเป็นจะต้องใช้เงินทองเพียงอย่างเดียวถ้าเราไม่มีเงินทองแต่เรามีเวลามีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงที่เราสามารถมาทำประโยชน์ได้จะทำกับวัดก็ได้หรือจะทำกับผู้อื่นก็ได้ไปทำที่โรงเรียนก็ได้ทำที่โรงพยาบาลก็ได้ไปเป็นอาสาสมัคร พ อ, อเต็มตึงร่วมกระตันอยู่ก็ได้ทำอะไรที่ทำแล้วเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยที่เราไม่เรียกร้องผลตอบแทนไม่รับรายได้อะไรจากการกระทำของเราอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นบุญบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นจะไปรับใช้บิดามารดาก็ได้อยู่บ้านช่วยพ่อช่วยแม่ล้างถ้วยล้างชาม กว่าบ้านถูบ้านหรือที่บ้านมีธุรกิจทำมาค้าขายจะช่วยขายของแบ่งเบาภาระให้กับพ่อกับแม่อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นบุญเหมือนกันหรือจะไปปล่อยนอกปล่อยปลาใหถา้ถ่ายชีวิตของสัตว์ที่จะถูกจับไปฆ่าไปแกงเราก็ไปซื้อชีวิตเขาแล้วก็เอาไปปล่อย นี่ก็เรียกว่าเป็นบุญเหมือนกันทำบุญแล้วจิตใจของเราจะมีความสุขผลของบุญก็คือความสุขใจเราไม่ต้องการอะไรจากผู้ที่เราให้ที่เราช่วยเหลือถ้าเราต้องการสิ่งตอบแทนจากผู้ที่เราให้ผู้ที่เราให้ความช่วยเหลืออย่างนี้ก็จะไม่เป็นบุญจะกลายเป็นการท้าขายไป เป็นการซื้อไปขายมาเหมือนกับเวลาที่เราไปร้านขายของเราเอาเงินให้ที่ร้านเขาที่ร้านเขาก็ให้ของเรามาอย่างนี้เราเราไมเร่เรียกว่าเป็นการทำบุญเพราะเราได้ผลตอบแทนเขาก็ได้รับผลตอบแทนทางฝ่ายตามได้รับผลตอบแทนกันจึงไม่ถือว่าเป็นการทำบุญ แต่ถ้าเราทําบุญแล้วเขามีอะไรอยากจะให้เราเพื่อเป็นการตอบแทนน้ําใจถ้าเราไม่เรียกร้องเราไม่ได้มีความปรารถนาอยากได้แต่เรารับไว้เพื่อไม่ให้เสียน้ําใจอย่างนี้ก็ยังเป็นบุญอยู่แต่ถ้าเราให้เพราะเราต้องการสิ่งตอบแทนเช่นให้ลูกให้เงินลูกแล้วก็อยากจะให้ลูกทํางานให้กับเรา อย่างนี้เรียกว่าเป็นการว่าจ้างกันไม่ได้บุญทั้งลูกและทั้งแม่ก็ไม่ได้บุญถ้าลูกอยากจะได้บุญก็ไม่รับเงินแล้วก็ทำเงินทางานให้กับแม่ไปแม่ก็ไม่ต้องให้เงินกับลูกถ้าให้เงินก็ไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาไปใช้งานเอาไปใช้ทำอะไรให้ด้วยความเมตตาเช่นให้ไปจ่ายค่าเล่าเรียนอย่างนี้ก็เป็นบุญ ให้ไปจ่ายค่าอาหารค่าขนมอย่างนี้ก็เป็นบุญถ้าลูกอยากจะได้บุญตอบแทนกลับมาลูกก็กลับมาบ้านก็ต้องช่วยแม่กวาดบ้านถูบ้านช่วยล้างถ้วยล้างชามช่วยซักผ้าไม่ใช่กลับมาถึงบ้านก็เปิดทีวีดูเล่นเกมไม่สนใจว่าม่พราะแม่กำลังทาอะไรอยู่ไม่สนใจว่า บ้านสกรปรกโลกคลุงรังอย่างไรนี่คือเรื่องของการทำบุญทำประโยชน์รับใช้ผู้อื่นนอกจากนั้นบุญก็ยังมีที่เกิดจากการเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนการทำตัวให้เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนนี้จะทำให้มีความสุขใจเพราะคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนมักจะมีคนรักมีคนชอบ ไม่เหมือนกับคนชอบอวดดีอวดเก่งอวดรู้อวดร่ำอวดรวยอวดใหญ่อวดโตมักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยไม่อยากจะให้การช่วยเหลือแต่คนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะจะเป็นคนที่มีคนรักมีคนชอบมีคนยินดี ที่ให้ความช่วยเหลือเวลาเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนขึ้นม า, าการทำเป็นทำตนให้เป็นผูอ่อนน้ำถมตนจะทำให้เรามีความสุขเพราะเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนถ้าคนอื่นเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับเราเพราะเราพยายามทำตัวเราให้ไม่ให้มีความสำคัญนั่นเอง พยายามทําตัวเราเป็นเหมือนผ้าขี้ริว้วเป็นเหมือนปัตถภีผ้าขี้ริ้วเราก็รู้ว่าคนเขาเอาไปใช้ทำอะไรเขาก็เอาไปเช็ดสิ่งสกรปรกต่างๆเราทําตัวเป็นผ้าขี้ริว้วใครเขาจะดูถูกดูแคลนดูหมิ่นเราเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราเป็นผ้าขี้ริว้วเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่าอะไรเราไม่ต้องการไม่ต้องหวังไม่ต้องการ ให้คนอื่นเขามาให้ความสําคัญกับเรายกย่องสรรเสริญเราถ้าเราเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่เป็นชอบอวดเก่งอวดดีอวดรู้อวดฉลาดเราก็อยากจะให้คนอื่นเขาคอยยกย่องสรรเสริญเราว่าเราเก่งว่าเราดีว่าเรารลิศว่าเรารวยพอคนอื่นเขาไม่สรรเสริญเรา เขาว่าเราเราก็จะเกิดความเสียใจเกิดความโกรธขึ้นมานี่คือสิ่งที่เราควรจะทำนี่ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งให้เราเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วบุญอีกอย่างหนึ่งก็คือบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมวั น, นี่เรามาฟังเทศฟังธรรมกันมาเรียนรู้เรื่องบุญเรื่องบาปกัน เมื่อเรารู้แล้วถ้าเรานําเอาไปปฏิบัติได้เราก็จะมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงเพราะเรารู้ว่าอะไรทําให้เกิดความทุกข์อะไรทําให้เกิดความสุขไม่มีใครอยากจะมีความทุกข์กันทุกคนอยากจะมีความสุขกันเหมือนกับเวลาเรารับประทานอาหารเราก็จะเลือกรับประทานอาหารที่ไม่เป็นโทษกับเรา เราจะไม่เลือกรับประทานอาหารที่จะเป็นพิษเป็นภัยกับเราถ้าอาหารชนิดใดรับประทานไปแล้วทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยทำให้ท้องเสียเราจะรับประทานหรือไม่อาหารที่รับประทานไปแล้วทําให้ร่างกายของเรามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราจะรับประทานหรือไม่ฉันใดการกระทาของเราก็เหมือนกัน มีผลต่อจิตใจของเราที่เป็นเหมือนร่างกายเหมือนกับอาหารการกระทําของเรานี่แหละเป็นเหมือนกับการให้อาหารกับจิตใจของเราถ้าเราทําบุญเราก็ให้อาหารที่ดีกับจิตใจทําให้จิตใจของเราสมบูรณ์แข็งแรงมีความร่มเย็นเป็นสุข <c oughs> ถ้าเราให้อาหารเป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจของเราจิตใจของเราก็จะมีแต่ความทุกข์ มีแต่ความวุ่นวายใจดังนั้นเราต้องพยายามฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าอะไรคือบุญอะไรคือบาปวันนี้เราก็ได้ยินแล้วว่าบาปก็คือการค่า<ม>การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปลดการเสพสุรายาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการคบคนไม่ดีเป็นมิตร และความเกียดคราดการกระทาเหล่านี้จะเป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจเหมือนกับรับประทานอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยและอาจจะถึงแก่ชีวิตได้ถ้าเป็นพิษที่ร้ายแรงเช่าถ้าเป็นยาพิษอย่างนี้เป็นต้นรับประทานไปแล้วก็อาจจะตายได้ทันทีทันใดนี่แหละคือ ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการฟังเทศน์ฟังธรรมเราจะได้รับปัญญาคือความรู้ความฉลาดความเห็นที่ถูกต้องรู้ว่าอะไรเป็นคุณกับเรารู้ว่าอะไรเป็นโทษกับเรา <Yeah. S 1> พอเรารู้แล้วเราก็จะได้ทำแต่สิ่งที่เป็นคุณสิ่งที่เป็นโทษเราก็จะไม่ทำนี่คือ บุญที่เกิดจากการได้ฟังเทศฟังธรรมทำให้เรามีบุญมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นและบุญที่จะได้อีกอย่างก็คือบุญที่เกิดจากการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นก็คือให้ความรู้ที่เราได้เรียนรู้จากการฟังเทศฟังธรรมเวลาผู้อื่นเขาตกทุกมีความทุกมีความวุ่นวายใจ เข้ามาปรึกษาขอความช่วยเหลือจากเราเราก็สอนธรรมะให้กับเขาไปสอนว่าความทุกข์ใจของเรานี้เกิดจากการทาบาปความสุขใจเกิดจากการทาบุญพอเขารู้เขาก็จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาเลิกทำบาปพอเขาเลิกทำบาปความทุกข์ต่างๆก็จะเบาบางลงไป และหายไปหมดไปนี่ก็คือบุญอีกอย่างหนึ่งเพราะเราได้ช่วยเหลือคนอื่นให้มีความทุกข์น้อยลงให้มีความสุขมากขึ้นเหมือนกับเราให้ข้าวของแก่ผู้อื่นแต่ให้ข้าวของนี้จะทำให้เขาช่วยเหลือเขาทางร่างกาย <c oughs> เช่นเขาไม่มีอาหารเราให้อาหารเขาเราก็บำบัดความทุกข์ทางร่างกาย แต่อาหารนี้ไม่สามารถบำบัดความทุกข์ทางใจได้ความทุกข์ทางใจนี้ต้องบำบัดด้วยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้เขาว่าอย่าไปทำบาปอย่าไปเสพอบายามุขแล้วความทุกข์ของเขาจะน้อยลงไปและจะเบาบางลงไปและหมดไปได้นี่เป็นการให้ความสุขกับเขา เป็นการช่วยบำบัดความทุกข์ให้แก่เขาการให้ธรรมะนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นการให้ที่ชนะการให้ทั้งปวงให้ธรรมะนี้ดีกว่าให้เงินให้ทองให้ข้าวให้ของเพราะว่าเงินทองข้าวของนี้ไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้ดับความทุกข์ทางร่างกายได้แต่ไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้ ความทุกข์ใจนี้มีน้ำหนักรุนแรงกว่าความทุกข์ของทางร่างกายถ้าได้ดับความทุกข์ทางใจได้ถึงแม้ว่าร่างกายจะทุกข์จะเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าใจไม่ทุกข์แล้วใจจะไม่เดือดร้อนในทางตรงกันข้ามถ้ามีเงินมีให้เขาไปซื้อหยุกซื้อยามารักษาโรคไข้ไข้เจ็บให้หายร่างกายไม่ทุกข์ แต่ถ้าใจทุกข์ความทุกข์ของใจนี้รุนแรงมากกว่าความทุกข์ของร่างกายจนทำให้ความไม่ทุกข์ของร่างกายนี้ไม่มีความหมายอะไรนี่แหละคือความหรือประโยชน์ของการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นเป็นสิ่งที่เราทาได้กันถ้าเราไม่มีธรรมะเรามีหนังสือธรรมะเราก็เอาหนังสือธรรมะให้เขาอ่านไปก็ได้ ถ้าเราไม่สามารถอธิบายให้เขารู้ให้เขาเข้าใจให้ก็เอาหนังสือธรรมะที่เรารู้ว่าเป็นหนังสือดีเอาไปให้เขาอ่านก็ได้หรือถ้าเรามีเงินทองเราอยากจะช่วยพิมพ์หนังสือแจกก็ได้อย่างนี้ก็จะเป็นการทำบุญอีกอย่างหนึง่งบุญอีกอย่างหนึ่งที่เราทำได้ก็คือการ ร่วมบุญร่วมอนุโมทามาบุญกับผู้อื่นเช่นเวลาผู้อื่นเขาทำบุญเรารับทราบเราก็ชื่นชมยินดีสแสดงความยินดีไปกับเขาเราก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาด้วยถ้าเราไม่ยินดีเราไม่ชอบให้เขาทำบุญใจเราก็จะไม่สบายจะมีความทุกข์เช่นบางทีคนที่อยู่ใกล้เคียงเราชอบทำบุญ แต่เราไม่ชอบทำบุญเวลาเขาทำบุญทีไรเราจะรู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าเราไม่ร่วมอนุโมทนาบุญถ้าเราร่วมอนุโมทนาบุญเราก็จะมีความสุขใจไปกับเขาด้วยบุญอีกอย่างที่เราทำได้ก็คืออุทิศบุญเช่นวันนี้เราทำบุญแล้วเรามีบุญที่เราเป็นเหมือนเงินเราสามารถแบ่งบุญส่วนนี้ ไม่แก่ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วได้เพราะว่าผู้ที่ล่วงรับบางท่านนี้ไม่มีบุญติดตัวไปก็จะต้องมาขอบุญจากผู้ที่กำลังทำบุญอยู่อย่างพวกเราแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ตายไปทุกคนจะมาขอรับส่วนบุญเพราะถ้าคนที่มีบุญติดตัวไปเขาก็ไม่ต้องมาขอบุญจากผู้ เพราะบุญที่เขามีนี้มีมากกว่าบุญที่เขาจะได้รับจากการอุทิศบุญเพราะบุญอุทิศนี้เป็นบุญส่วนย่อยเป็นเหมือนเงินที่เราให้กับขอทานแต่บุญที่เราทำนี้เป็นเหมือนกับเงินที่เราไปฝากในธนาคารพอเราตายไปเราก็เอาไปได้หมดเลยเราทำบุญไว้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านเอาไปได้หมดแล้วมีดอกเพิ่มอีกหลายเท่าด้วย เวลาไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะร่ำรวยกว่าเก่าเพราะมีดอกสมทบขึ้นมาด้วยนี่แหละคือบุญต่างๆที่เราควรจะกระทำกันทาแล้วชีวิตของเราจะมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงเวลาที่เราตายไปถ้าบุญมีมากกว่าบาปบุญก็จะดึงใจของเราให้ไปสู่สุคติ ให้ไปเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าถ้าเราทำบาปบาปมีมากกว่าบุญเราก็ต้องไปเกิดในอบายไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นผีไปตกนรกนี่คือที่ไปเวลาที่บาปมีกำลังมากกว่าบุญพอทำแล้วไม่มีใครจะมายับยั้งได้จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม แม้แต่พระพุทธเจ้าก็จะไม่สามารถที่จะมายับยั้งผลบาปที่เราทำได้หรือผลบุญที่เราทำก็เช่นเดียวกันไม่มีใครมายับยั้งได้เพราะว่ามันเป็นกฎของธรรมชาติกฎแห่งกรรมเชื่อหรือไม่เชื่อทำแล้วจะต้องเกิดผลขึ้นมาอย่างแน่นอนถ้าเชื่อก็จะเป็นประโยชน์กับเราเพราะจะทำให้เราไม่กล้าทำบาป ก, กัน จะทำให้เราทำแต่บุญพอเราทำแต่บุญไม่ทำบาบุญก็จะมีมากกว่าบาบุญก็จะพาเราไปสู่สุขติไปสู่นิพพานในในที่สุดนี่แหละเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตจิตใจของพวกเราถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อบุญเชื่อบาบแล้วพยายามทำแต่บุญไม่ทำบาชีวิตของเราก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ จากมนุษย์ก็ไปเป็นเทพจากเทพก็ไปเป็นพรหมจากพรหมก็ไปเป็นพระอริยเจ้าขั้นต่างๆจนถึงขั้นพระอรหันต์ขั้นพระพุทธเจ้าเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องมากลับมาทำบุญอีกต่อไปเพราะเราไม่กลับมาเกิดอีกแล้วเพราะการเกิดนี้มันเป็นทุกข์เพราะเกิดแล้วจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายนั่นเอง ผู้ที่ไม่อยากจะทุก์ก็ต้องไม่กลับมาเกิดเท่านั้นถ้ายังกลับมาเกิดต่อให้เกิดเป็นมนุษย์มหาเศรษฐีเป็นประธานาธิปดีก็ยังต้องทุกกับการแก่การเจ็บการตายอยู่ดีดังนั้นการไม่กลับมาเกิดนี่แหละดีที่สุดการไม่กลับมาเกิดก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีที่อยู่ที่อยู่ของเราก็คือสวรรค์ชั้นสูงสุดที่เรียกว่าพระนิพพานนี้เอง เป็นเหมือนโรงแรมระดับห้าดาวอยู่ดีกินดี mm hmm. เที่ยวฟรีทุกอย่างอยากจะดูอะไรอยากจะฟังอะไรอยากจะไปไหนมาไหนไปได้ทันทีเพราะเป็นปรมังสุขขังความสุขระดับห้าดาวเรียกว่าปรมังสุขขังดังนั้นขอให้พวกเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคาสอนเชื่อพระอริยสงสาวกแล้วพยายามปฏิบัติตามคาสอนให้ได้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 โดยทั่วหน้ากันเธอ <c oughs>